พระองค์เสด็จมาเหมือนกับพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสิคีเวสภูกะกุสันทโกนาคมานณะเสด็จมาโดยประการใดสเสด็จมาเพื่อเกื้ อ, อกูลโลกโดยประการใดท่าผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จมาอย่างนั้นเหมือนกันสเสด็จมาเพื่อเกื้อกูลโลกเพื่อสงเคราะห์ลกูกเหมือนกันถามว่ามาได้อย่างไรมาได้ด้วยการบำเพ็ญ บารมีทั้งหลายด้วยอภินิหารอันประกอบด้วยคุณสมบัติแปดประการมนุษสัต์ต่างเลิงค้สัมปติเหตุสัธารัสนังมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ยังสมาทานในการบำเพ็ญบารมีทั้งสามสิบทัศมหาบริจักทั้งห้าเสียสละอรหัตตมรรคที่อยู่ในเงื้อมมือเนี่ยนะสามารถที่จะเด็ดอรหัตตมรรคได้ไมเอาไว้ก่อน พยายามไว้ก่อนเนี่ยนะบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยชายชาติที่มีกำลังเหมือนเราจะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวใช่หมเราข้ามแล้วจะยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วยท่านก็มีแนวความคิดใน ล, ลักษณะนี้ก็สละแล้วพระองค์ก็สมาถานในการบำเพ็ญบารมีทั้งส0สิบประการบารมีสามสิบทัดมหาบริจากทั้งห้าใช้เวลาอีกสี่อสงไขยกำไรอีกแสนกับ เพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการสมาทานบารมีอยู่เลยสมาทานบารมีเดีย เ, เรียนไปเรียนมานี่มันจะไปเข้ากับกลุ่มย่อยๆที่กําลังคุยเนี่ยจะไปเข้ากับองค์รวมได้ตรงไหนคือเราทั้งหลายศึกษาพระธรรมนี่ฟังมาเยอะเป็นเบีย้ยหัวแตกกันน่ยนะเอามาประชุมกันเข้าไม่ได้ลักอย่างเลยนะฟังเรื่องขันก่อนฟังไปอริยตนะก็ได้ยินอริยศาสตร์ก่อฟังมา าธาตุก็ฟังอินทรีย์ก็ฟังโอ้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ฟังเองมันเอามาเข้าเป็นเรื่องเป็นราวเชื่อมกันไะด้ยังไงเอามาจัดเข้าเป็นเล่มเนี่ยรู้สึกไฟเนี่ยไอโปรแกรมหรือว่าเ อ, าเอกสารเนี่ยรู้สึกมันจะรกไปหมดเลยนะเอามาจัดเข้าเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ถูกเนะนี่ยอันการศึกษาพระธรรมก็ควรที่จะจัดกลุ่มเรื่องให้ได้ด้วยถ้าจัดกลุ่มเรื่องได้การตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะคาสอนก็จะเป็นระเบียบเมื่อคําสอนเป็นระเบียบก็จําไม่ยากนะครับ สำนักงานใดที่เอกสารรกๆเนี่ยเต็มทีเลยนะเพรฉะนั้นท่านนอบน้อมเนี่ยนะฮะท่านเชื่อใช่ไหมท่านเชื่อในพระรัตนตรัยใช่ไหมท่านได้กล่าวว่าในธรรมรัตนเนี้ท่านกล่าวไว้ว่าการทรงไว้การทรงจําันเนี่ยแล้วท่านเชื่อไหมท่านเชื่อต้องทําตามนะท่านเชื่อต้องทําตามนะโดยสัญญาณก่อนนะเพราะฉะนั้นเพราะทำท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเชื่อลองทําตามดูแล้วเราจะเห็นผล นะเราจะเห็นผลเอาในเล็กน้อ ย, อยก่อนนไม่ทองมากหรอกนี่นี่ในน้อยๆ น, นะทรงไว้แล้วนํามาเพ่งแล้วดูที่ว่าทนต่อการเพ่งไหมพระธรรมของพระภุทธภาคเนี่ยทนต่อการเพ่งจริงไหมแล้วเมื่อทนต่อการเพ่งแล้วเนี่ยนะเพ่งไปแล้วเนี่ยเกิดฉันท่าไหมออจําอีกสักสองหัวข้อทีถ้าเกิดฉันทะแล้วนี่นะออจะจําเพิ่มขึ้นอีกนะเราจะได้ตึกมากขึ้นพอฉันท่าพอเพิ่มแล้ว เพิ่มมิรยะต่อไปอีกนะเอ้ยน่าน่าสนใจขยับไปเรื่อยท่านกล่าวว่าอย่างนั้นเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นกล่าวถึงการสมท า, านบารมีเลยนะบารมีทั้งสามสิบข้อนึกออกเลยนะข้อแรกก็เรียกว่าทานนับารมีทานบารมีนี้อุปมาเหมือนอะไรที่พระโพธิสัตว์ท่านสมท า, านที่จะประพฤติว่า ง, งั้นหม้อความหมายบอกว่าสมท า, านที่จะให้ทาน เหมือนกับหม้อความมันก่อนผู้การบอกว่าเออเราตักข้าวจากหม้อบังกะยังนี้ไม่ต้องความหรอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสมาทานที่จะบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะให้ทานเหมือนหม้อความให้หมดเลยโดยที่สุดแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ข้างนอกมาเนี่ยนะไล่มาจนถึงเรื่อยๆคนข้างเคียงไม่ว่าลูกมาภรรยาให้หมดนะไม่ใช่ให้แต่ลูกภรรยาอย่างเดียวแล้วรักตัวไม่ใช่ให้อวัยวะอกีก เลยที่สุดแม้แต่ดวงตาแล้วก็ชั้นที่สุดเลยให้ชีวิตเป็นทานให้เนื้อให้เลือดจนถึงกับให้ชีวิตเป็นทานกเรียกว่าสมาทานเหมือนหมอกควงง่เหมือนกันเถอะให้ไม่มีเหลือแล้วเขาให้จริงๆท่านไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องปลูกุกันขึ้นมาแต่งกันขึ้นมาเพื่อประกอบเนื้อความเฉยๆไม่ใช่เพราะว่าคนที่ให้ลักษณะนั้นมีเขาให้แล้วแล้วเขาก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคําว่าพระตถาคตก็คือเสด็จมาอย่างนั้นอ่ะเพราะท่านบําเพ็ญบารมีมาอย่างนั้น ที่สองคือศีลบารมีศีลบารมีก็คือกล่าวถึงอุปมาใช่ไหมอุปมาว่าจามรีหางคล้องติดในที่ไหนก็จะยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้หางหลุดลุ่ยชั้นใดท่านจงบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ในภูมิทั้งสี่ในภูมิทั้งสี่คืออะไรก็คือในจาตุปริสุทธิ์ที่ศีลทั้งสี่เนี่ยนะรักษาสมาทานเหมือนกับ จามารีรักษาขนหางใครเข้ามาปัจเจกที่อยู่หรื อ, อยังมานั่งฟังธรรมเนี่ยปัจเจกที่อาศัยหรือเปล่าว่าเออใช้สอยเสยนาสนะเนี่ยเพื่ออะไรนะถ้าปัจเจกได้สักข้องก็ย่างดีนะเพราะฉะนั้นจอจะรักษาศีลในการทุกเมื่อเหมือนจามารีรักษาขนหางฉะนั้นก็สมาทานเอาทั้งสี่หมวดเลยนะจะตุปริสุทธิศีลเนี่ยนะหรือเจตนาศีลสังวรศีลอวิหิตกรมมศีล แล้วก็วีระตีศีลเนี่ยนะเจตนาวีระตีสังวรแล้วก็อวีติกมะสมาทานที่จะศึกษารักษาเรียนรู้วเนี่ยนะเหมือนกับจามารีรักษาคนหางหรือบางแห่งเขาบอกว่ามารดาผู้มีบุตรคนเดียวถนอมบุตรเฝ้าเลี้ยงดูบุตรเป็นอย่างดีหรือบุรุษผู้มีตาข้างเดียวก็ถนอมห่วงแหนตาชั้นใดก็รักษากุศลศีลอันนั้นเนี่ยเหมือนกัน ถ้าเมื่อใดที่บุคคลสําคัญว่าศีลเป็นทรัพย์โอ้รักษาดีนะยกตัวอย่างเมือ่อเอาสมันะยนะขออภัยนะไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้หรอกลองดูกระเป๋าสะพังนี่มีใครกล้า ว, วางที่ราดหรือเปล่าเก็บไปเงีบเลยนะลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะใครล่วงไม่ได้เนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยนะโอ้ห่วงมากเลยนะใครมาแตะต้องไม่ได้นะขอดูยังไม่ได้เลยจะกล่าวไปย้ยถึงอย่างอื่นเลยนะเฝ้ารักษากันขนาดนะั้นถ้ามองเห็นศีลเป็นทรัพย์เมื่อไร่อย่างนี้แล้วก็โอ้ทะนอมเท่านี้แหละดีดีแน่ สังสารวัตในสั้นไปเยอะนะกลายเป็นผู้ที่มีทรัพย์มีอริยทรัพย์ในภายในเมื่อวานน้เพียงข้อความสั้นๆทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ตอนหิวข้าวตอนรักษาศีลอุโบโสถศีลนะมีกำลังใจแล้วก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะคำที่ท่านนำมากล่าวคือว่าสละสุ ข, สสขนิ ด, น ด, นดหน่อยสละสุกพอประมาณะสละสุขพอประมาณม เ, พมเพื่อสุขอันไทบูญใช่ไหมเพื่อสุขอันไทบุอ แม่คํานี้นะดีจริงๆสละสุขพอประมาณแทนที่มื้อเย็นเราจะไปทานอาหารนะก็อิ่มนิดเดียวนะาทานมากไปก็อิ่มมากเกินไปก็นอนไม่หลับอีกนะนิดเดียวนั่นเองตอนที่ทานอาหารจริงๆนะพอใจในการทานอาหาร น, นิดเดียวนะสละสุขตรงนั้นนิดนึงนะเพื่อความไภบูนเพื่ออริยมรตอริยผลนั่นนะโอ้ไม่เลวไม่เลวอันนี้มีกําลังใจขึ้นอเยอะ น, นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าศีอะไรนะ ไม่ว่าเราจะรักษาศีลอะไรนะถ้ามันเป็นการสละจริงๆเลยเป็นการสละความสุขอันเล็กน้อยนั่นเองนะผมมาอ่านเจอในมิลินทปัญหาเนะ่ท่านบอกว่าพระโยคาวจรเน่ยหรือพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโอ้โหนี่ท่านท่านต้องลงทุนนะต้องทิ้งสมบัติมานี่นะละครอบครัวสมบัตินี่มาออกบวชเนี่ยนะ ชันมือเดียวนะแต่ก่อนนี้เป็นเสรยทีโอ้โหไม่ใช่สองมือสามมือนะสี่มือสีมือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะเราอะ่ะเดี๋ยวเนี้แล้วมามามือเดียวนะแล้วแต่ก่อนนี้มีผ้าโอ้โหแคว่งก่าสีผ้าอย่างเยี่ยมเลยนะมาเหลือสามผืนนะเหลือสามผืนนะเท่านั้นอะ่ะแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัายก็อื้อหือหลังคาใบไม้อะ่ะก่อนเนี้ยนะหลังคาใบไม้นะมามุงนะเนี่ยนะเราเห็นว่าโอ้โหท่านต้องมาอยู่ในลักษณะ ถ้ามองไม่ดีมนเป็นการทรมานตัวใช่ไหมพญามาริน tha บอกเฮ้ยนั่นน่ะแกไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาทรมานตัวอย่างนั้นมาบวชเป็นการทรมานตัวนี่นีู่้พวกนี้ใช่ไหมพอมาได้ข้อความมันนี่นะเราเข้าใจเลยเราเข้าใจเลยผมเข้าใจทราบซึ่งเลยนะสระความสุขอันเล็กน้อยเพื่อผลอันไพบูนีบารมีข้อต่อไปอะไรเนคขมมะบารมีนะ เน่คัมมั่บบารมีนี้กล่าวถึงผู้ที่อยู่ในเรือนจำเหมือนละอยู่ในเรือนจําที่คนดูแลเนี่ยนะทรมานน่าดูเลยนะจกว่าได้รับความเจ็บแสบปวดร้อนทุกทรมานอยู่ในเรือนจําผู้ที่อยู่ในเรือนจําด้วยความทุกทรมานฮะทางออกอยู่โดยทายเดียวเมื่อวานเห็นนกในกรงอ่มนละถึงจะกรงทองกรงเงิน ก, กรงอะไรก็ช่างเหมนนะแคบแคบอ่ะใครอยากอยู่บ้างไหม มันก็มองเห็นพบทั้งสามกามาพบรูปประพบอารม ป, ประพบนี่นะเหมือนกับเรือจนจําเลยนะเป็นคุกเป็นที่คุ้มขังสัตว์ทั้งหลายก็มองเห็นเรือนจำเนี่ยแหละทุกทรมานเหมือนนเพราะฉะนั้นบุรุษผู้อยู่ในเรือนจํานานลําบากเพราะทุกนีไ่ได้เกิดความยินดีในที่นั้นสแสวงหาทางที่จะพ้นไปถ่ายเดียวฉันใดท่านก็จงเห็นพบทั้งปวงเหมือนเรือนจํา หน้ามุ่งต่อการบวชเพื่อพ้นจากภพฉันนั้นเถิดยินดีในการสลักออกไม่ยินดีในการถือมั่นซึ่งในเรื่องบารมนะีเหตุผลที่เรียงลำดับซึ่งเราจะได้ศึกษากันช่วงต่อๆไปทีนี้มากล่าวถึงบารมีข้อที่สี่นะกล่าวถึงสุเมธบัณฑิตซึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิพิจารณาบารมีทั้งทั้งหมดเนี่ยนะกำลังพิจารณาถึงบารมีข้อที่สี่นะดูในเอกสารหน้าสามสิบกที่แจกไป หน้าสาสิบหกนะลำดับนั้นเมื่อเขาไข้ครวนยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านั้นเลยเขาได้เห็นปัญญาบารมีข้อที่สี่ได้มีความคิดว่าดูก่อนสุมเมศบัณดิตจำเดิมแต่นี้ไปท่านเพึงบำเพ็ญปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ ท่านอย่าได้เว้นใครๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนชั้นเลวชั้นปานกลางและชั้นสูงพึงเข้าไปหาบัณฑิตทุกคนแล้วถามปัญหาเหมือนอย่างว่าภิกษุผู้เที่ยวไปบินทบาทมิได้เว้นตระกูลใดๆในบรรดาตระกูลที่แตกต่างกันมีตระกูลชั้นต่ำเป็นต้นเที่ยวไปบินทบาทตามลำดับย่อมได้อาหารพอยังชีพโดยพลันชันใด แม้ท่านก็เข้าไปหาบัณฑิตแล้วไต่ถามอยู่จักเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันนั้นท่านบอกว่าท่านเห็นพบสามเหมือนกับเรือนจําใช่ไหมก่อนถึงเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคุณวลาวันเห็นไหมอ้าไม่เห็นผมจะยกตัว อ, อย่างให้ดูคุณวิลาวันเคยเข้าไปในธนาคารไหมนั่นแหละพะนักงานธนาคารนั่นนเหมือนนักโทษ ถามว่าจะไปไหนนอกจากเสาที่ไปได้ไหมไม่ได้หล้วถึงเวลาเปดมงเช้านะต้องถึงไหมถึงนะไม่ถึงไม่ได้นะนะออกขอนได้ไหมไม่ได้แล้วโอ้โ ห, โห เ, เต็มไปด้วยเงินทองเต็มเลยนะเอนะแล้วอยู่ในกรงเลยนะไม่ได้ออกมาข้างนอกนะเราก็เข้าไปข้างในไม่ได้นะอยู่ข้างนอกนะคนอื่ก็จะไปไหนมาไหนได้นั่นต้องอยู่นี่นับเงินเนี่ยนะไปไหนไม่ได้จริงๆนะแล้วเราเกิดมานะ เป็นมนุษย์นะอย่างดีแล้วนะเข้าไปมีอาชีพยอย่างนั้นอนะ่ะอย่างดีแล้วใช่ไหมใครๆก็อิจฉานะโอ้ใจ อ, อาชีพ่เยี่ยมเลยใช่ไหมไปเป็นพนักงานธนาคารนี่โอ้โหยิ่งเป็นสมุบัญชียิ่งลุกไป่ขึ้นใหญ่เลยลุกคนสุดท้ายด้วยลุกก่อนก็ไม่ได้ด้วยเอย่าลุกก่อนลูกน้องก็มองนะลุกที่หลังด้วยนะต่างคนต่างคอยมองกันนะใครลุกก่อนไม่ได้นะปิกัดิการนั่นแหละถามว่าแล้วอิสระไหม นี่เรามองในแง่สูงนะเราไม่ได้มองในแง่โลกนะถ้ามองในแง่โลกว่าเว้อันนี้แกเอาอะไรมาพูดนะเนี่ยข้อก็ดีอยู่แล้วนี่แกเอาอะไรมาพูดนะถ้ามองให้ดีนะแต่อย่าอยู่กคิดแค่นั้นนะแม้แต่เราเองเนี่ยถูกตารางเนี่ยคนละแบบเท่านั้นเองมันผูกเอาไว้บางคนผูกไว้กับกระทะนะผัดไทยอยู่นั่นแหละบางคนผูกไว้อยู่กับไก่ตอนนะซับอยู่นั่นแล้ว นะสับไก่ตอนอยู่นั่นแล้วยิ่งคนมากินเยอะๆยิ่งสับยิ่งมันใหญ่โอ้โหเดินไปดูเถอะไม่มีไปไหนมาทีไรเจอไอ้ต่คนเนี้ยเจ้าขอเนี่ยคอยยืนตับไก่อยู่นั่นแหละนี่คือตารางตารางอย่างหนึ่งในวินัยของพระอริยเจ้าหนีพน้นไหมไม่พ้นนะเอาจริงๆนะั้นหนีไม่พน้นะรเราบอเฮ้ยไม่จริงเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จริงครับมันผูกเราอยู่บอกว่า ม, มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระภิกษุเนี่ยท่านเที่ยวบินธบัต ไปก็เจอนักโทษที่ใส่กุญแจมือกุญแจเท้าโซ่ตรวนเนี่ยสมัยก่อนเนี่เดินครักคลาคราไปเสร็จกันั่งสนทนากันนักโทษเองไม่ธรรมดานะมีโซ่ทวนไปที่ไหนไม่มีอิสระเลยชีวิตแล้วเขาก็ดึงไปสู่ตะแลงแกงอะ่ะก็คือไปที่ข่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยก็บอกว่าเออเครื่องจองจำ ม, มันนั่นมันเล็กน้อยฟังงั้นเถอะแต่เครื่องจองจาคือครอบครัวนี่มันหนักกว่านั้นอีก พระองค์กล่าวว่าอย่างนั้นจริงๆเนะเครื่องจองจําคือครอบครัวนี่หนักกว่านั้นอีกกว่าอนั้นแก้ได้ยากกว่านั้นอีกเพราะว่าบุตรก็จองจําคอใช่ไหมภรรยาก็จองจาําเท้าการงานก็จองจํามือเนี่ยควักควาไปหมดเลยจองจําจริงๆขนาดอยู่ที่ไหน ย, ยังหนักคอนักใจไปด้วยเลยนะบุตรเนี่ยแขวนคอไปตลอดเลยพะฉะนั้นพระองค์บอกว่าครอบครัวบุตรภรรยาเป็นต้นเนี่ยนะจองจําหนักกว่านั้นอีก ขนาตายแล้วก็อยากเอาตราสังมามัดมือมัดเทา้ามัดคอเพื่อให้เห็นนี่เห็นะเออนี่ติดอยู่อย่างนี้แหละวนอยู่ในเชิงตะกรสามรอบอยู่พบสามนี่แหละไปไหนแนละ้วแต่ว่าผู้ที่สมาทานบารมีเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสมาทานนละตั้งใจเอาว่าทั้งหมดนี้เหมือนกับเรือนจํานะยินดีที่จะออกทุกเมื่อเลยต้องมีความรู้สึกเช่นนั้นและสมาทานเขาเรียกว่าสัพพะโลเกอณภิรกะสัญญา สมาทานเลยว่ะ โ, โลกทั้งหมดไม่น่ายินดีสักอย่างถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจสูงระดับนั้นเนี่ย น, น, นะกุศลธรรมเจริญยากเจริญกุศลธรรมยากมากเพราะว่าอหนึ่งก็ยังดีอยู่ะเอาไว้ก่อนฉั้นกุศลธรรมชั้นสูงแม้แต่เรื่องของฌานก็เจริญไม่ได้ผู้ที่ไม่ไม่เห็นโทษในกามอย่างไรก็เจริญฌานไม่ได้อย่างไรก็ไม่ได้ฌานอย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่ได้ฌานคือคนที่เห็นภัยในกามาคุณทั้งห้า คนที่ได้รูปประชามเนี่ยนะต้องเบื่อหน่ายทั้งกามถ้าได้อารูปรรรประชานเนี่ยเบื่อหน่ายทั้งกามเบื่อหน่ายทั้งรูปประชานจึงจะได้อรูปประชานผู้ที่ดับขันปรินิพานเบื่อหน่ายทั้งกามเบื่อหน่ายทั้ง ร, รูปประชานและอรูปประชานจึงดับขันปรินิพานได้ที่ดูนะของเรา อ, อ, อะไรก็ดีเป็สมบเนี่ยนะอานุ่นก็อร่อยอันนี้ก็ดีก็ donc, ไม่เป็นไรหรอก ถ้าโซ่มันยาวโซ่มันหนักก็อยู่ไปเรื่อยหลยไม่ห่วงว่าไม่ได้พน้นชั้นต้นเลยเนี่ยนะให้มีแนวความคิดซะก่อนก็ยังดีอ่ะนะถึงว่ายังข้ามไม่ได้หลุดไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมตั้งใจว่าเออให้ทานเพื่อความหลุดพน้นสมาทานศีลเพื่อความหลุดพ้นเป็นต้นเนี่ยนะตั้งใจอันนี้ไว้เพื่อเป็นวาสนาเพื่อเป็นบุญเป็นบารมีของเราต่อไปในอนาคตต่อไปใช่ไหมแต่ว่าโอโ้นี่มันหนักเหลือเกินแก้ยากเหลือเกินมันกันเด็ด มันขัดห้องมันจําเป็นไปซะหมดอะ่ะมันเดือดร้อนไปทั้งหมดอะ่ะหลุดไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้ยินดีที่จะออกนะอย่ายินดีในการหมกมุ่นเป็นการเจริญกุศลธรรมเป็นการเจริญบารมีของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันจะได้เป็นนาทีศีลเพราะว่าศีลธรรมดานะศีล ส, สมาธิปัญญามีมานานแล้วก่อนพรุทธเจ้าอีกก่อนพรุทธเจ้ามาอุบัติอีกมีมา น, านานแล้วนะสมัยพุทธกาลนะผู้ที่รักษาศีลหนึ่งเข่งกลัดมีมา น, านานแล้ว แต่ไม่เป็นอธิศีนไม่เป็นอธิจิตสมาธิก็บําเพ็ญกันมาเยอะแยะแล้วก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่ไม่เป็นอธิจิตปัญญาก็มีบางท่านนะบางลัทธิท่านรู้เรื่องกรรมกรรมสกตาปัญญาก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นอธิปัญญาเลยไว้พระพุทธเจ้าผู้บัติขึ้นน่ะจึงมีอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้เมื่อกี้เนี่ยหมายความว่าให้เราอธิฐานนะนะว่า เราจะรักษาศีลก็ดีไม่ว่าทํากุศลอะไรทั้งสิน้นก็ดีเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสูงไว้ก่อนตั้งเป้าหมายที่สูงสุดก็คือเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นเองเนะเพราะว่าบารมีเนี่ยเมื่อบําเพ็ญถึงที่สุดก็สามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมแล้วก็การแทงตลอดในอริยสัจธรรมนั้นถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะต้องแทงตลอดอริยสัจธรรมในเพศนักบวชเท่านั้น ถ้าเป็นพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอสิติมหาสาวกหรือพระอัคราสาวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแทงตลอดอริยสัจในเพศนักบวชส่วนที่เหลือก็จะแทงตลอดอริยสัจแบบพุท ธ, ธอุปถาคใช่ไหมเป็นคารวาตก็มีไปแต่ขอให้มีแนวความคิดคือการเจริญกุศลเพื่อแทงตลอดอริยสัจก่อนถ้าตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไปแล้วถ้ายินดีในคารวาตก็ไม่เป็นไรบาเพ็ญบารมีถึงที่สุดก็จะตรัสรู้ธรรมแบบในเพศ ค า, ารวาสนั่นแหละแต่ก็ถ้าเป็นค า, ารวาสในการบำเพ็ญบารมีเพื่อจะสงเคราะห์ะสัตว์พสัตว์ทั้งหลายก็ค่อนข้างทําได้แคบกว่าทําได้แคบกว่านอกจากเป็นอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายสเสบียงเหมือนกันเถิดส่งเสริมให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยกับพิสุสง์อยู่ได้แล้วในขณะเดียวกันเพื่อที่จะให้พระผู้มีพระภาคกับพิสุสง์ทํางานในการสงเคราะห์สัตว์เหมือนกันทํางานโดยอ้อมเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นทัพหน้าหรอกแต่เป็นฝ่ายครัวเหมือนกัน แต่ก็แทงตลอดอริยสัจเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้เรามีตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการเจริญกุศลธรรมไม่ว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนการฟังการเรียนรู้การให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาการบําเพ็ญบารมีแต่ละอย่างตั้งเป้าหมายว่าคือการแทงตลอดอริยสัจถ้าใช้คําว่านิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะนิพพานในยุคนี้เนี่ยแต่ละแห่งพูดไม่เหมือนกันตมากอากนิพพานคนละ ง, งานกันและ แต่ท่านิพพานของพระพุทธเจ้าก็คือนิพพานที่เกิดจากการแทงตลอดอริยสัจถ้าใช้คําว่าอริยสัจเราก็จะได้ไม่หลงประเด็นในการศึกษาพระสัทธรรมคำสอนว่าศึกษาเพื่อให้เข้าถึงอริยสัจอย่าลืมว่าทุกขาริยสัจแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้สมุทัยอริยสัจแทงตลอดด้วยการละนิโรธอริยสัจแทงตลอดด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรตแทงตลอดด้วยการบําเพ็ญด้วยการเจริญ ตั้งเป้าหมายที่ถูกตรงในที่สุดของพระพุทธศาสนาก็คือการแทงตลอดอริยสัจเพราะคําว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาคําว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องและด้วยตัวท่านเองพระพุทธศาสนาก็คือคําสอนของผู้ที่แทงตลอดอริยสัจแล้วทันการที่เราจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่สูงสุดแห่งชีวิตก็คือการแทงตลอดอริยสัจ ตั้งใจให้ที่ถูกเอาไว้ก่อนดังั้นการบําเพ็ญบารมีทั้งหมดเพื่อสัมโพธิยานเป็นต้นสัมโพธิยาณก็คือยานที่ตรัสรู้อริยสัจนั่นเองแต่เป็นการตรัสรู้อริยสัจแล้วช่วยประกาศให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยใช่ไหมที่เราบอกว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเรานิพพานแล้วจะให้คนอื่นนิพพานด้วย นั่นก็คือเป้าหมายของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทร ง, งตั้งเอาไว้ในอดีตนั้นของเราก็ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจพระพุทธเจ้าพ้นแล้วขอเราพ้นตามด้วยตั้งใจอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตั้งว่าเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยใช่ไหมของเราตั้งว่าพระพุทธเจ้าพ้นแล้วขอพ้นตามด้วยตั้งนี้ก็ได้ครับสําหรับพรมีก็ยังไม่ชบนะครับก็คงจะเป็นอาทิตย์ต่อไป การเจริญสัมมาสมาธิคืออะไรคือจิตที่เป็นไปกับอารมณ์ที่ชอบอเมื่อจิตเป็นไปกับอารมณ์ที่ชอบคือคำว่าอารมณ์ที่ชอบก็คือกื้อกูลต่อจิตเป็นกุศลกุศลและจิตเกิดขึ้นโดยที่ปรารบอารมณ์ใดได้ยาวนั่นคือการฝึกฝึกสมาธิคือเป็นมหากุศลแต่เป็นมหากุศลที่ปรารบอย่างเช่น พุทคุณก็ได้เป็นไปกับพุทธคุณอย่างเดียวอะในระหว่างที่ตรึกพุทธคุณไม่มีโลภะโทสะโมหะมาแทรกเลยสามารถให้มหากุศลจิตเนี่ยเกิดยาวแทนที่จะว่า เ, ออเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินสลับปะปนกันไปหมดอย่างเงี้ออยไอ้ยางงี้ไม่ยาวแต่ก็มาตรึกเป็นพุทธคุณเลยนะเสืบเนื่องไปเรื่อยอันนี้เป็นพุทธานุสติอารมณ์คือพุทธคุณนั้นเป็นอารมณ์ของกุศลจิตในขณะนั้นอันนั้นเป็นเบื้องต้นของสมถะ เป็นมหากุศลเบื้องต้นเป็นปลายเพื่อสมถะชั้นสูงต่อไปแต่ถามว่าพอหลึกอย่างนั้นแล้วสงบไหมมันก็แล้วแต่ใครอ่นะบางท่านแบบเพิบสงบเลยสบายใจมากเลยนึกเมื่อไหรก็สบายใจโสมนัตปราบเพิ่มจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องบางคนเนี่ยนึกไปสินาทีแล้วจิตก็ยังแข็งเท่าเดิมนั่แหละเพราะว่าอุปนิสัยมาแรงอุปนิสัยก่อนหน้านี้มาไปได้เรื่องหนักๆมาจิตมันก็เลยไปรับพุทธคุณก็เลยก็ไม่อ่อน ที่ไม่อ่อนเพราะอุปนิสัยเดิมมันแรงไม่สามารถตัดเข้าสู่พุทธคุณได้ทันทีเพรา ะ, ะจิตนี้ธรรมชาติของจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะยังชอบสำนวนวิสุทธิมัตท่านพูดที่ว่าจิตนั้นเหมือนกับเสียงกลองเหมือนกันเอเสียงไม่ได้เกิดที่ตัวกลองไม่ได้เกิดที่ไม้ตีกลองแต่ถ้าได้ปัจจัยประชุมพร้อมเสียงกลองก็ดังขึ้นความคิดทุกความคิดที่คิดขึ้นก็ลักษณะนั้น ความคิดจะเกิดขึ้นได้หนึ่งอุปนิสัยเดิมไปรับรู้อะไรมาก่อนอุปนิสัยอันนั้นก็จะตามมาแล้วก็มาประสบกับอีกอารมณ์หนึ่งถ้าหากว่าจิตประวัติกับอารมณ์เดิมมากซึ่งอุปนิสัยเดิมมันแรงอารมณ์เดิมไม่เคลียมมารับรู้อารมณ์ใหม่ๆก็สงบน้อยๆจนกว่าจะสา ม, มารถตัดเรื่องราวตัดอุปนิสัยเดิมได้โดยแต่ทางฆาปหารเนี่ยนะโดยการพิจารณาเป็นต้นว่าเอออุปนิสัยบางส่วน ไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขนะเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นก็สา ม, มารถที่จะตัดได้ท่านในการตัดอุปนิสัยเดิมๆในขณะที่เราเจริญกุศ ล, ลจิตเนี่ยนะส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการสอบสวนความคิดอันนั้นก่อนการไต่ถามความคิดของตัวเองเนี่ยแหละนะมันก็เหมือนกับคนคนเดียวนั่นแหละแต่แบ่งเป็นสองคนนั่งคุยกันเองอะ่ะคิดอะไรนะคำถามง่ายๆแบบกะลามาสูตรคิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล มีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ผู้รู้สารเสริญหรือติเตียนอาบุคคลที่พอกพูนปฏิบัติตามนี้มากๆให้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยนะเราก็มองด้วยสายตาที่เป็นธรรมเสร็จแล้วก็เอาคําสอนมาใส่มาประทับตราแล้วก็นั่นคือการแก้ไขปัญหาความคิดนั้นๆถ้าหากว่าเราดึงคําสอนใส่ลงมาในความคิดได้ถ้าจิตใจที่มีสัพทินรียมาก มีวิริยินรีมากก็จะสามารถกําจัดไอความคิดอันนั้นได้อาศัยสัตว์ทินรีกําจัดมนินรีที่ไม่ดีออกไปใจที่ไม่ดีก็ถูกกําจัดด้วยกุศลออกไปเพราะธรรมชาติของจิตนั้นคิดทีละอารมณ์คิดทีละอย่างถ้าคิดเรื่องใดมากถ้าเรื่องนั้นเป็นกุศลนิมิตจิตก็จะเป็นกุศลถ้าคิดถึงปฏิฆานิมิตมากๆจิตก็จะเป็นปฏิฆ า, าสลับลเคล้ากันไปอยู่ลักษณะนี้นะ ที่จะจัดการก็คือจัดการกับจิตอันนั้นเนี่ยนะพยายามที่จะเอากรรมสกตาเป็นต้นเนี่ยใส่ลงไปถ้ากรรมสกตาอ่อนเราก็จะไม่ยินดีในการกําจัดอกุโสลจิตอันนี้เราก็ว่าเรื่องอารมณ์นี่สําคัญกว่าจิตนี่สําคัญน้อยหน่อยนะเราจะให้ค่ากับอารมณปัจจัยมากกว่าสภาพจิตอ่าถ้าเราให้ค่ากับอารมณปัจจัยมากกว่าสภาพจิตเราจะแก้ไขความคิดอันนี้ไม่ได้ จะต้องให้ค่าความคิดมากกว่าว่าอารมณปัจจัยนั้นเป็นอัพยากตะธรรมส่วนใหญ่ที่เราคิดคิดถึงสีคิดถึงเสียงสีเสียงเป็นอัพยากตะธรรมไม่เป็นตัวบุญไม่เป็นตัวบาปแต่ความคิดของเราเป็นตัวบุญตัวบาปเจตนาที่เป็นตัวคำรรเกิดร่วมกับความคิดของเราดังนั้นถ้าจะจัดการก็จัดการที่ความคิดอันนี้โดยที่ดึงคําสอนใส่ลงมายกตัวอย่างว่าถ้าเวลาเราปราบกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะจิตเกิดโทสะขึ้นมา ก็อย่างน้อยที่สุดก็ น, นึกถึงพระธรรมคาสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสถึงเรื่องของโทสักบอกว่าความโกรธย่อมยังจิตให้กําเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะคนที่เครียดคนที่โกรธคนที่หงุดหงิดจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าไอ้ความคิดนี่เป็นโทษนะคนขณะที่เครียดขณะที่โกรธจะไม่รู้อัตถะจะไม่รู้ธรรมะไม่รู้อัตไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ทําโกรธครอบงามืดหมดเลย มันปิดความคิดทั้งๆ ท, ที่อารมณ์นั้นก็เหมือนเดิมอ่าเอานี้นะแสงสว่างก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ถ้าตาถูกปิดซะอยา่างถ้าตาถูกปิดก็มองไม่เห็นอะไรใจของเราก็เหมือนการท่าโทสะเป็นต้นเนี่ยนะครอบงาจิตทั้งๆ ท, ที่เรื่องนั้นก็ไม่ใหญ่นะักแต่มันมองไม่เห็นอะ่ะเคยตาแดงตาเจ็บนะจริงจริงพรางมันก็โล่งอ่ะแหละแต่พอดีสุขภาพตาไม่ค่อยดีเลยมองไม่ค่อยเห็นทางเขาว่างไงถ้าชำระตาซะน้อยเดี๋ยวก็สบายละ จิตก็เหมือนกันในการแก้ปัญหาในแต่ละอารมณ์ถ้าสบายใจซะอย่างอู้ช่องทางเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเต้มไปหมดอันนี้ก็ได้นี้ก็ได้นี่ก็ได้แต่ถ้ากุศลจิตมันแฝกเข้ามานี่มึดหมดเหมือนกับไฟดับอย่างนั้นแหะอีกอย่างหนึ่งที่กล่าวกันเมื่อกี้ว่าการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะบางคนก็ น, นึกถึงพุโทโธพุโทโธลองเปิดหน้าสิบสองดูนะทุกคนก็ได้แล้วเอกสารเก่าๆเคยได้นะอ่าเราควรที่จะให้คําจํากัดความของคําว่าพุทโธให้ให้สมบูรณ์หน่อยแล้วก็ ค่อยนึกถึงคำว่าพุทโธ ร, รู้อัฏฐะของสักก่อนแล้วค่อยตรึกถึงพุทโธ ท, ท่องพุทโธ ท, ท่องอะไรก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ขอให้เข้าใจอัฏฐะของพุทโธให้สมบูรณ์หน่อยนะพุทโธมีความหมายว่ายังไงอลองอ่านมาพร้อมกันดูนะนะพุทโธพุทโธหน้าสิบสองนะลงรัสรู้ดั่งจัดด้วยพระองค์เองอคาว่าพระพุทธเจ้าได้แก่ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระสยยมภูไม่มีครูอาจารย์ได้ตัดสู้สัจจะในธรรมะที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เองทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญะในสัจจะนั้นและความเป็นผู้ทรงกำนานในปริยาณท่างหลายถ้าเราท่องพุโทโธเป็นต้นเนี่ยนะ อัฐของคํานี้เราควรเข้าใจให้ดีก่อนเสร็จแล้วต่อไปเวลาเรานึกถึงพุโทโธก็จะนึกด้วยความทราบซึ้งปีติถ้าหากว่าบางคนเนี่ยนะกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่กับคําว่าพุโทโธที่จริงแล้วทั่วไปที่เขาบรรยายกันก็คือมุ่งว่าเอาคําว่าพุโทโธจิตจะได้ไม่คิดเรื่องอื่นแล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่ที่จริงแล้วคนที่จะกําหนดลมหายใจเข้าจริงๆเนี่ยนะควรรู้หลักของลม หลักของลมในสติปัฏฐานสูตรในสติปัฏฐานสูตรอานาปานสติหรือในอนาปานสติสูตรเป็นต้นถ้าจะเอาเรื่องของลมเลยนะเรื่องของลมก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่เรือนไม้สูบเรือนว่างเนี่ยนะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก